จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่ห้าพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสามเป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันฉัตรมงคล วันครบรอบวันราชาพิเศษของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มิพลนาดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอย่างประเสริฐแก่ปวงชนชาวไทยผู้ปกครองประเทศด้วยธรรมคำว่าธรรมก็คือด้วยความดีด้วยความถูกต้องด้วยความเมตตากรุณา เพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ได้ปกครองเพื่อตนเองโดยถ่ายเดียวแต่ถือความสุขความเจริญของประชารชานเป็นจุดสำคัญยิ่งกว่าความสุขของพระองค์เองผู้ครองราชหรือผู้ปกครองนี้ก็มีอยู่สองแบบคือปกครองด้วยธรรม หรือปกครองด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากใหญ่อยากโตถ้ามีผู้ปกครองที่ปกครองด้วยธรรมประชาราชก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุดถ้าปกครองด้วยอำนาจบาทญ่มีเท่าไหร่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอมีแต่จะตักตวง ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกครองประชาราชนก็จะอยู่อย่างทุกข์ทรมานเพราะจะถูกลังแกถูกเบียดเบียนอยู่เสมอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเป็นที่ประจักษ์อยู่สําหรับพวกแล้วว่าแล้วเล่ ว, ว่าทรงปกครองประเทศด้วยใจที่เป็นธรรม ด้วยใจที่มีความเมตตากราุณามีความเสียสละมีความอดทนอดกลั้นต่อการปฏิบัติภารกิจอันหนะักบ้านเมืองจึงได้อยู่กันมาอย่างร่มเย็นเป็นสุดพอประมาณเพราะผู้ปกครองนั้นมีใจใฝ่ธรรมสนใจที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และได้ทรงบวชเรียนด้วยจึงทรงรู้ถึงลถของพระธรรมว่ามีความสำคัญต่อชีวิตจิตใจของทุกๆคนธรรมะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวก็ดีเป็นประเทศชาติก็ดีถ้ามีธรรมะแล้วครอบครัวนั้นหรือประเทศชาตินั้นก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าแผ่นดินเกือบทุกๆพระองค์ในราชวงศ์จักรีนี้มีจิตใจที่ใฝ่ธรรมและปกครอง บ, บ้านเมืองมา โดยทามาตลอดจึงรักษาทิปไตยของประเทศอิสรภาพของประเทศได้มาตลอดถึงแม้จะมีภัยคุก ค, คามจากต่างประเทศมาแต่ก็สามารถที่จะรักษาอิสรภาพของประเทศชาติไว้ได้มีประเทศไทยเพียงประเทศเดียวที่ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้ การปกครองของผู้ที่ล่าอาณาจากรนิคมมีเพียงประเทศไทยเพียงประเทศเดียวเพราะประเทศไทยนี้มีกษัตริย์มีผู้ปกครองที่ฉลาดมีธรรมะมีทั้งศีลมีทั้งปัญญามีทั้งจารกะคือการเสียสละดังในสมัยรัชกาลที่หทรงยอมเสียสละ แผ่นดินบางส่วนให้แก่ผู้ที่มาคุกคามเพื่อที่จะรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่เอาไว้เพราะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสสอนให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและสละสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมนี่คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีอะไรที่จะสำคัญกว่าธรรมคือความดีความถูกต้องการไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายผู้อื่นเพราะธรรมนี้มีความสำคัญต่อจิตใจหน้าจิตใจนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเราจิตใจของพวกเราทุกคนนี้ไม่ตายไปกับร่างกาย ไม่สูญเสียไปกับการสูญเสียสิ่งต่างๆแต่ใจของเราจะเสียถ้าใจของเราไม่มีธรรมปกครองใจจะเสียจากความเป็นผู้ประเสริฐจากเป็นจากความเป็นมนุษย์ไปสู่ความเป็นเดรัจฉานถ้าเราลักษาสมบัติรักษาแผ่นดินด้วยการต่อสู้ด้วยการฆ่าฝันกันเราจะเสีย ทางด้านจิตใจและบางทีก็อาจจะเสียแผ่นดินไปด้วยแต่ถ้าเรายอมเสียบางส่วนไปแล้วเราไม่ต้องไปฆ่าผู้อื่นเราจะรักษาใจของเราให้เป็นมนุษย์ไว้ได้เพราะมนุษย์นี่มีคุณธรรมที่สูงกว่าสัตว์เดรัจฉานก็คือมีศีลห้าถึงจะเป็นมนุษย์ได้ถึงเจนเป็นเทพ เป็นพระอาริยะบุคคลได้ผู้ที่ไม่มีศีลห้าจะต้องไปอยู่กับพวกเปรตพวกเดรัจฉานพวกสัตว์นรกนี่เป็นกฎแห่งกรรมเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้เห็นจึงได้นำมาสั่งสอนสันโลกให้สัตโลกรักษาธรรมยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้ เพราะธรรมจะนําพาสามโลกให้ไปสู่ความสูงสุดความประเสริฐที่สูงสุดความสุขที่สูงสุดการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องมีธรรมเป็นผู้พาไปทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอตงต่างๆลาบยศสารเสริญสุตแผ่นดินต่างๆนี่ ไม่สามารถพาสัตว์โลกให้ไปสู่พระนิพพานสู่การหลุดพ้นจากการเยียนว่ายตายเกิดได้ต้องมีธรรมะคือจาคะการเสียสละศีลการไม่เบียดเบียนผู้อื่นและมีภาวนาคือการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระความโลภความโกรธความหลงที่มีในใจให้หมดสิ้นไป นี่คือธรรมะที่พวกเราควรที่จะบำเพ็ญควรที่จะเจริญมากกว่าการไปสร้างสะสมลาบยศสะละเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่ไม่จีรังถาวรที่เป็นสมบัติชั่วคราวที่จะต้องจากเราไปเมื่อเราตายไป เราจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้สิ่งที่เราจะเอาไปกับใจของเราได้ก็คือธรรมะที่เรามาบำเพ็ญกันแล้วก็จะพาให้เราไปเกิดในภพชาติที่ดีกว่าเดิมและจะถึงพระนิพพานได้ในลําดับต่อไปนี่คือความสําคัญของธรรมะถ้าเราไม่มีธรรมะ ใจของเราจะเวียนว่ายอยู่ในอบายเกิดมาเป็นมนุษย์ก็มาเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบมีโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนเบียมีอายุสั้นมีอาการไม่ครบ32 <c oughs> มีความยากจนมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่สวยงามผิวพรรณไม่ผอมใส เพราะไม่ได้ไม่ได้บำเพ็ญธรรมนั่นเองไม่รักษาศีลไม่มีจาคะไม่มีการเสียสละมีแต่จะเอาอย่างเดียวไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นมากน้อยเพียงไรก็อ้างเหตุผลต่างๆนาน า, นานว่าตนเองมีสิทธที่จะมีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้ มีสิทธิ์ที่จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปเหยียบย่ำทำลายความสงบสุขของเพื่อนร่วมโลกด้วยกันบุคคลเหล่านี้เมื่อตายไปจะต้องไปใช้เวรใช้กรรมในอบาบัยไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างขึ้นอยู่กับน้ำหนักของบาปกรรมที่ตนเองได้ทำเอาไว้ จนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมเราจึงค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ต่ำต้อยก็แล้วก็จะมาสร้างเวรสร้างกรรมใหม่เองเพราะจะไม่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมคือไม่ขวนขวายที่จะศึกษาหาความรู้ไม่ขวนขวายที่จะทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุดเจริญมีแต่จะเรียกร้องสิทธิต่างๆ แล้วก็ไปสร้างเวีนสร้างกรรมให้แก่ผู้อื่นตนก็จะเวียน่ห้ตายเกิดอยู่ในอบายอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นจนกว่าจะเกิดมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นว่าการกระทาของตนนี้ไม่ถูกต้องถ้าอยากจะรวยอยากจะมีฐานะดีขึ้นก็ให้ขยันทำมาหากิน ด้วยอาชีพที่สุดใจถ้าไม่มีวิชาความรู้ก็ให้ขยันศึกษาหาวิชาความรู้และเมื่อได้เงินได้ทอบมาก็ต้องอดออมต้องเก็บต้องรักษาไม่ใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยแบบไม่มีเหตุไม่มีผลใช้เงินเท่าที่จำเป็นเพื่อดูแลรักษาชีวิตก็พออย่าไปใช้ให้หมดไปกับ พวกเอาบายยาังลุกต่างๆเช่นเอาไปซื้อสุรายาเมามาดื่มเอาไปเล่นการพนันเอาไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆถ้าใช้เงินแบบนี้ต่อให้มีมากเท่าไหร่ก็จะไม่พอใช้แล้วก็จะเรียกร้องเรื่องโทษคนอื่นว่าทำให้ตนเองเดือดร้อน โดยไม่เคยดูพฤติกรรมของตนเองเลยว่าเป็นอย่างไรถ้าดูพฤติกรรมของตนสักหน่อยก็จะเห็นว่าตนเองนี้มีความเกียดคร้านเวลาให้เรียนหนังสือก็ไม่สนใจที่จะเรียนหนังสือเวลาโตขึ้นก็เกียดคร้านไม่ชอบทํางานทําได้ไม่นานก็ลาออกหรือถูกไล่ออก พ อ, พอได้เงินเดือนมาก็จะเอาไปเที่ยวเอาไปดื่มเอาไปเล่นการพนันแล้วก็ขาดงานขาดการเวลาขาดงานมากๆก็จะถูกเขาไล่ออกจากงานตกงานไม่มีรายได้แล้วก็เลยเป็นเหยื่อของผู้ที่มาหลอกว่าให้ไปเป็นพวกของเขาแล้วเขาจะให้เงินให้ทองก็เลย กลายเป็นเหยื่อของคนที่เขาฉลาดกว่าคนพวกนั้นที่มาหลอกเขาก็ไม่ได้มาทุกข์มายากมาลำบากมาต่อสู้กับเราเขาก็อยู่ในห้องปรับอากาศอยู่ในสถานที่ปลอดภัยหลอกให้เราไปนอนกลางแดดกลางดินกลางทรายไปเสี่ยงกับลูกกระสุนต่างๆโดยที่มีความหวังลมๆแรงๆว่า ถ้าเขาเป็นใหญ่เป็นโตแล้วเขาจะแจกเงินแจกทองให้กับเราต่อให้เขาแจกเงินแจกทองให้กับเรามากน้อยเพียงไรเราก็จะไม่พอใช้ถ้าเราไม่รู้จักอดออมไม่รู้จักใช้เงินทองในวิธีที่ถูกถ้าเราไม่รู้จักหาเงินหาทองเราก็จะต้องเป็นทาสคอยรับเงินจากเขาไปตลอดสุภาษิตจีนนี้มีคา พูดอยู่คํานึ่งว่าอย่าให้ปลา ผ, ผู้อื่นแต่ให้สอนให้เขารู้จักหาปลาให้เป็นเพราะถ้าเขาหาปลาเป็นแล้วเขาจะไม่ต้องมาขอปลาจากเราอีเวลามีใครเดือดร้อนมาขอปลาท่านบอกว่าอย่าให้ปลาแต่พาเขาไปตกปลาสอนให้เขารู้จักวิธีตกปลาพอเขาตกเป็นแล้ว เขาก็จะไม่ต้องมาขอเราเขาก็จะหาปลาของเขากินได้นั่นแหละผู้ปกครองที่ดีควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะสอนผู้ที่อยู่ภายใต้ปกครองให้รู้จักพึ่งตนเองให้รู้จักช่วยตนเองให้รู้จักทำมาหากินด้วยอาชีพที่สดจื่นไม่ใช่มีแต่จะแจกเงินโดยถ่ายเดียวแจกเท่าไหร่ก็จะไม่พอ แต่เขาก็ไม่จกพอเขาเป็นใหญ่เป็นโตแล้วเขาก็ไม่สนใจเราแล้วถ้าเราไปขอก็จะไม่ได้รับเงอนถ้าขอมากๆก็อาจจะถูกเขาทำร้ายเพราะเราหมดความหมายหมดความสำคัญสำหรับเขาไปแล้วถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ดูเราก็จะเห็นว่ามีคนแบบนี้อยู่มากในประวัติศาสตร์ ที่ขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตด้วยการหลอกลวงผู้อื่นแต่ก็อยู่ไปได้ไม่นานเพราะความโลภความอยากใหญ่อยากมีทําให้เขาต้องถูกทําลายไปในที่สุดผลเด็จการทั้งหลายที่ขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็อยากจะใหญ่ขึ้นไปมากขึ้นไปเรื่อยๆโดนในที่สุดก็ต้องถูกผู้อื่นเขาต่อต้าน และทำลายไปอันนั้นขอให้เราถ้าเราจะเลือกคนมาปกครองเราขอให้เราเลือกคนดีคนที่มีศีลมีธรรมคนที่มีความเสียสละจริงจริงคนที่มีความเมตตากรุณาจริงๆการที่จะเลือกคนก็ต้องใช้เวลาอย่าเลือกพรอกเขาให้เงินเราไปเลือก อย่างนี้แสดงว่าเราโง่เราไม่ฉลาดการเลือกตั้งในสังคมที่ฉลาดคนที่เขามีการศึกษาเขาจะไม่มีการแจกเงินแจกทองกันเขาจะดูคนที่มาเลือกว่าเป็นคนอย่างไรมีความคิดอย่างไรมีนโยบายที่จะปกครองประเทศอย่างไร มีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษามีประวัติที่ดีหรือมีประวัติที่ไม่ดีไม่ใช่เลือกแบบสุ่มสี่สุมหาแบบของพวกเราเลือกใครก็ไม่รู้เมื่อถูกเขาสั่งให้เลือกก็ต้องเลือกไปตามคำสั่งอย่างนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยนี่คือเรื่องของการปกครองและ เรื่องของการอยู่ร่วมกันต้องมีธรรมต้องมีความถูกต้องต้องมีเหตุมีผลดังนั้นขอให้เราคิดให้ดีอย่าไปหวังกับผลประโยชน์เล็กๆ น, น้อยๆที่เขาจะให้เราดูว่าเขาจะทําให้บ้านเมืองของเราแข็งแกร่งได้อย่างไรให้ประชาชนฉลาดขึ้นได้อย่างไร เช่นถ้าเขามาบอกว่าจะสร้างโรงเรียนให้มากขึ้นสร้างมหาวิทยาลัยให้มากขึ้นให้เด็กมีการศึกษาฟรีโดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองอย่างนี้มันถึงน่าจะมีเหตุมีผลกว่าเพราะถ้าเด็กได้รับการศึกษาต่อไปก็จะมีความรู้ความสามารถที่จะทํามาหากินด้วยอาชีพที่สดจริเข และสามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมต่ออาระยะประเทศได้เพราะประเทศต่างๆที่เขาเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านี้เขาเจริญด้วยการศึกษาประเทศที่มีความเจริญนี้จะมีมหาวิทยาลัยมากมายนักศึกษานี้แทบจะไม่ต้องแข่งกันไม่ต้องแย่งกันมีมีที่ศึกษาให ทุกๆคนเพราะเขาเห็นความสําคัญในการศึกษานั่นเองไม่เหมือนกับผู้ปกครองนักการเมืองของประเทศของพวกเราที่ไม่ค่อยจะสนใจกับการปลูกฝังเรื่องการศึกษาเรื่องการสร้างโรงเรียนสร้างมาหาวิทยาลัยให้พอเพียงต่อราชดรมัวแต่จะไปสร้างถนนหนทางสร้างสิ่งที่ฟุ่มเฟือย ไม่จำเป็นเพราะมีผลประโยชน์ไม่ต้องการให้ประชาชนฉลาดเพราะถ้าประชาชนฉลาดแล้วต่อไปจะซื้อเสียงไม่ได้จะแจกเงินแากทองให้กับเขาไม่ได้ดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายามศึกษาหาความรู้ให้มากเพื่อเราจะได้รู้ทันคนที่เขาจะมาหลอกเรา แล้วเราจะได้ไม่ต้องไปเป็นเหยื่อของเขาอีกต่อไปขอให้เราศึกษาทําให้มากแล้วเราจะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดถ้าเราไม่มีธรรมะเราจะถูกหลอกได้เพราะเราจะคิดว่าถ้าใครให้อะไรเราเราก็จะคิดว่าเขาดีแต่เราไม่คิดว่าเขาให้เรานี้ให้เพื่ออะไร แล้วให้ได้นานสักเท่าไรเขาให้เราเพราะเขาต้องการอะไรจากเราเวลาที่ไม่มีการเลือกตั้งไม่เห็นเขาเอาเงินมาจจกเราเลยทำไมจะมาจากแต่เฉพาะวันก่อนหรือวันเลือกตั้งเท่านั้นถ้าเขาดีจริงเขาใจบุญจริงเขาน่าจะมาจากทุกเดือนเลยทุกเดือนด้วยทุกอาทิตย์เลยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าดีจริงแล้วจากแบบไม่มีไม่มีข้อแม้ ไม่มีการเรียกร้องให้กับให้ทำอะไรเป็นสิ่งตอบแทนเช่นพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกถึงสี่สิบห้าปีด้วยกันพระองค์ไม่เคยเรียกร้องผลตอบแทนเลยแม้แต่บาทเดียวมีแต่สอนด้วยพระเมตตาพระกรุณาไม่เรียกร้องอะไรเป็นสิ่งตอบแทนภาะกิจของพระพุทธเจ้านี้ ในตอนบ่ายก็สั่งสอนศรัทธายาโงคาราะญาโงในตอนข้ามก็สั่งสอนภิกษุสา ม, มเณรในตอนดึกก็สั่งสอนเทวดาในตอนเช้าก่อนที่จะทรงออกบิณฑบาตก็ทรงเล็งยานดูว่าจะไปโปรดสั่งสอนคนไหนดีนี่คือภารกิจของพระพุทธเจ้าที่ทรงปฏิบัติ ตั้งแต่วันแรกที่ประกาศสั่งสอนพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกจนถึงวันสุดท้ายเป็นเวลา45ปีด้วยกันสั่งสอนให้สัตว์โลกที่มีจิตศรัทธาได้หลุดพ้นจากการเย็นว่ายตายเกิดได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เป็นจำนวนมากไม่มีใครสามารถที่จะสอนให้ผู้อื่นบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ นอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นนี่คือพระคุณอันประเสริฐ ข, ของพระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเป็นคนดีทรงสอนให้คนตัดความโลภตัดความอยากต่างๆไม่ได้สอนให้คนมีความโลภมากขึ้นเหมือนกับผู้ที่เขามาแจกเงินแจกทองที่เขามาแจกเงินแจกทองเพราะอะไรเพราะเขามีความโลภ ม, ม, มีความอยาก อยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตนั่นเองอยากมีอำนาจอยากมีพลังทรัพย์เพราะเมื่อเป็นใหญ่เป็นโตก็สามารถตักตวงผลประโยชน์ได้อย่างมากมายก่ากอนคนเหล่านี้เป็นคนที่ไม่มีธรรมะอยู่ในใจไม่เคยสนใจที่จะเข้าวัดเข้าว่าทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรม อย่างที่ญาติโยมท่านหลายประพฤติปฏิบัติกันญาตโยมนี้มาวัดเป็นปกติอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็มาครั้งหนึ่งไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์หรือไม่เช่นนั้นก็วันพระแต่พวกที่หาเสียงพวกที่อยากเป็นใหญ่เป็นโตไม่เคยเห็นเขาเข้าวัดเข้าวา่าทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมเป็นปกติเลยเพราะอะไร เพราะใจของเขานั้นถูกอำนาจของความโลภความโกงความหลงครอบงำอยู่เขาจะพุ่งไปหาแต่สิ่งที่เขาต้องการที่ได้เท่านั้นเองเขาจะไม่มาเสียเวลากับการมานั่งฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญตักบาตมารักษาสิ่งเพราะมันเป็นอุปสรรคต่อการแสวงหาอำนาจหาผลประโยชน์ของเขานั่นเอง เขาเป็นคนอย่างนี้แล้วเรายังจะไปเลือกเขามาเป็นผู้ปกครองของเราอีกมันก็เป็นกรรมของเราเพราะเมื่อเขามาปกครองแล้วเขาก็จะไม่ปกครองด้วยธรรมแต่เขาจะปกครองด้วยอานาจบาใหญ่ด้วยกิเลสด้วยตัณหาบ้านเมืองก็จะต้องเดือดร้อนวุ่นวายอย่างที่เป็นอยู่กันทุกวันนี้พอมีปัญหาก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ พาะห่วงผลประโยชน์ของตนกลัวจะหมดตำแหน่งกลัวจะเสียอำนาจไปไม่กล้าตัดสินทงตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่เหมือนกับกษัตริย์ในสมัยในโบราณที่ท่านกล้าตัดสินพระทยัยเมื่อต้องเสียแผ่นดินก็กล้าเสียกล้ายอมเสียยอมเป็นผู้รับผิดชอบนี่คือการเสียสละของผู้ปกครอง ถ้าผู้ปกครองไม่มีความกล้าที่จะที่จะเสียสละ บ, บ้านเมืองก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปนี่คือเรื่องของการมีผู้ปกครองที่ปกครองด้วยธรรมหรือปกครองด้วยด้วยกิเลสตัณหาถ้าปกครองด้วยธรรมบ้านเมืองก็จะสงบลมเย็นเป็นสุขจะเจริญก้าวหน้าถ้าปกครองด้วยกิเลสตัณหา บ้านเมืองก็จะมีแต่มีแต่เรื่องราวต่างๆมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเดือดร้อนจึงขอให้พวกเราพยายามศึกษาธรรมะให้มากๆเพื่อเราจะได้มีปัญญาที่จะดูคนออกว่าคนดีเป็นอย่างไรคนไม่ดีเป็นอย่างไรคนที่หลอกเราเป็นอย่างไร คนที่ไม่หลอกเราเป็นอย่างไรเราดูได้เพราะเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ลึกลับแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าเราจะมีปัญญามองเห็นหรือไม่เท่านั้นเองคนที่ฉลาดคนที่มีปัญญานี้จะไม่มีใครไปหลอกเขาได้คนที่ถูกหลอกนี้เป็นคนที่ไม่มีปัญญานั่นเองเพราะไม่สนใจที่จะศึกษา ฟังเทศฟังธรรมฟังคําสอนของนักปราชญ์ของคนชราเช่นพระพุทธเจ้าเขาก็เลยไม่มีความสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าใครดีใครไม่ดีใครถูกใครผิดนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสำคัญยิ่งกว่าสิ่ ง, งอื่นใดในโลกนี้ เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นสมบัติชั่วคราวเราจะไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้แต่ปัญญาความฉลาดนี้จะติดไปกับใจของเราเรามีธรรมะมีความฉลาดมากน้อยเพียงไรมันจะพาให้เราฉลาดต่อไปในภพชาติหน้าจะไม่โง่เหมือนเหมือนจะไม่กลับมาโง่จะไม่กลับมาเริ่มต้นใหม่ ถ้ามีปัญญาและปัญญานั้นก็จะอยู่และจะพาให้เราได้เพิ่มพัฒนาปัญญาเพิ่มมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆเช่นพระพุทธเจ้าที่ทรงสร้างบัตปัญญาบา ร, รมีมาในทุกภพทุกชาติจนถึงภพสุดท้ายก็สามารถปฏิบัติจนบรรลุปเป็นพระพุทธเจ้าไดา้ถ้าปัญญาที่ได้ทรงสะสมไว้ไม่หลงเหลืออยู่ภายในใจ พระ อ, องค์ก็จะไม่สามารถตัดสัรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้แต่เนื่องจากปัญญาที่ได้ทรงสะสมไว้ในแต่ละภพแต่ละชาตินี้ไม่หมดไปไม่สูญไปติดอยู่กับใจไปตลอดจึงทําให้พระ อ, องค์สามารถตัดสัรู้ได้นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะสะสมกันก็เป็นทรัพย์ที่แท้จริงของเราคือทรัพย์ภายในคือบัณคือบรารมีทั้งหลาย เช่นทานบารามี <c oughs> ศีลบารามีปัญญาบารามีเมตตาบารามีที่พวกเราได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จะไม่สูญไปจะอยู่กับใจของเราจะมีเพิ่มมากขึ้นไปนเรื่อยๆจะส่งให้เราเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดได้นี่คือการจเจริญที่แท้จริงพระพุทธเจ้าทรงมีทางเลือกสองทาง มีมีโหรได้ทํานายไว้ว่าถ้าอยู่เป็นคารวาสก็จะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิถ้าออกบวชก็จะเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเลือกการเป็นพระพุทธเจ้าเพราะทรงเห็นว่าเป็นทรัพย์ที่แท้จริงทรัพย์ที่อยู่กับพระไยัยถ้าเป็นพระมหาจักรพรรดิก็เป็นทรัพย์ชั่วคราวอยู่กับร่างกายพอร่างกายตายไป ความเป็นมหาจักรพรรดิก็หมดไปแต่การเป็นพระพุทธเจ้านี้ไม่หมดไปหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จปรินิพานแล้วพ ร, พระนิพพานนี้แหละก็คือสมบัติของพระพุทธเจ้าที่จะอยู่กับพระพุทธเจ้าไปตลอดอนันตกาลจึงขอให้พวกเราจงให้ความสำคัญต่อการศึกษาพระธรรมคาสอน